<c oughs> ท่านก็อยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระสารีบดุลนั่งคูบลังตั้งกายตรงพิจารณาความสงบระงับของตนในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าภิกษุผู้มีจิตสงบระงับ มีตันหาอันนำไปสู่พบตัดขาดแล้วชาติสงสารสิ้นแล้วพ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารอันนี้ก็เป็นวิธีประกาศอริยสัจอีกอย่างหนึ่งที่จริงท่านในสูตรเนี่ยนะเขาบอกว่าพิจารณาความสงบระงับของตนในพระไตรปิฎกจริงๆนี้ไม่ได้เคร่งครัดในการใช้เกี่ยวกับคำว่าอัตตาสักเท่าไหร่สังเกตดูนะ เว้นไว้แต่ถ้าคุยกับพวกนอกศาสนาจะให้ความสำคัญกับว่าอัตตาเพราะเดียร์ธีทั้งหลายเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นอัตตาแต่อัตโนของตนในที่นี้แปลว่าตัวเองไม่แปลว่าไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นจะพูดถึงตัวเองในอัตตาเหมือนกันในฝ่ายเราเองก็พูดอัตตาแต่อัตตาในที่นี้แปลว่าของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นนะ สังเกตข้อความในคาถานิดหน่อยนะว่ามีตันหาอันนำไปสู่พบใหม่ขาดแล้วอันนี้สัจจะอะไรประกาศถึงว่าท่านกําจัดสมุทัยสัจจะได้เสร็จแล้วชาติสงสารสิ้นแล้วหมายถึงสงบทุกขสัจจะได้หมดแล้วและอะไรอีกพ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารอันนี้เป็นชื่อของนิพพานนิโรสัจจะจิตสงบนั้นหมายถึงอริยมรรค สงบด้วยมรรคผลแต่นี้เน้นที่อริยผลก็คือผลของอริอรยมรรคนั่นเอง <c oughs> บทว่าอัตโนอุปสมังเนี่ยนะความสงบของตนอธิบายว่าความสงบกิเลสของตนได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุที่สุดสาวกบา ร, รมาีญาณนะสงบประงับบาปอากุศลสงบดับความเศร้าหมองภายในได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีความเศร้ามองในภายในเลยคนที่กําจัดความเศร้ามองในจิตใจได้หมดเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับเอ๊ะคนถ้าละกิเลสได้แล้วเนี่ยมันจะสนุกได้อย่างไรอันนั้นคือความคิดของปุตุชนอ่าที่ใดมีคําว่ากิเลสเนี่ยนะเขามาอยากให้แปลออกมาเลยอย่าทับศัพท์เลยศัพท์นี้ไม่ควรทับศัพท์ถ้าทับศัพท์นะอ่าไม่น่าละหรอกกิเลสแต่ถ้าแปลออกมาเนี่ยน่าละ เช่นบอกว่าท่านนี้สงบความเศร้ามองของใจได้อย่างเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรัก์ท่านเลิกเศร้าท่านเลิกหมองท่านเลิกขุนท่านเลิกมัวก็แปลว่าเป็นใจที่ใสสะอาดเป็นใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นต้นในขณะอรหัตตมรักอรหัตตผลที่ไม่มีความเศร้ามองอยู่ภายในไม่มีบาปอยู่ภายในไม่มีกลิ่นอายแห่งความชั่วซึมซาบอยู่เลยเนยนะ ความที่ท่านกําจัดความเศร้ามองได้โดยประการทั้งปวงนี่แหละเรียกว่าความสงบของตัวเองเนี่ยนะเป็นสงบจากความเศร้ามองสงบจากความเดือดร้อนสงบจากความเร่าร้อนเนี่ยนะสงบจากเหตุแห่งความทุกข์คือคนที่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกได้อย่างเด็ดขาดก็ท่านพระสารีบุตรเห็นประจักษ์ความเดือดร้อนท่านรู้จักความเดือดร้อนความกวนกวาย ความกระวนกระวายความเร่าร้อนและความทุกข์อันเกิดแต่ความเศร้ามองมีราคะเป็นต้น น, นะความเศร้ามองที่อยู่ในใจเนี่ยนะเฉพาะเช่นราคะเนี่ยเวลาใจที่ถูกราคาย้อมทำให้ใจเศร้ามองเนี่ยมันเดือดร้อนมากเคยเห็นหมูสั์ที่เดือดร้อนเพราะราคะไหมอย่างเขาบอกว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยนะ เห็นความเดือดร้อนของกิเลสของโลกของความเศร้าหมองของโลกเนี่ยเขาสงสารมากเลยนะทําไมกิเลสมันรุนแรงอะไรขนาดนั้นทําไมราคาเขารุนแรงมากเช่นเขาอยากไปเที่ยวอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่ายานะอืเดือดร้อนกระซิบกระซิบกระซิกเลยนะมันเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเพราะอานาจของราคะเนี่ยนะเศร้าหมองเพราะอํานาจของราคะมันกวนกวายสังเกตดูนะถ้าใครหิวอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากเลยนะ และความกระวนกระวายมันกระสับกระส่ายนะกระวนกระวายกับกระสับกระส่ายมันอยู่ใกล้กันเร่าร้อนจนนั่งนิ่งๆไม่ได้นะถ้าบอกว่าคนเร่าร้อนจริงนะนั่งหลับตาสักนิดเดียวยังทําใจไม่ได้มันร้อนขนาดนั้นมันรั่วอุจนมาจนถึงอะไรยิ่งถ้าจะกําหนดกรรมฐานด้วยนะนับลมไม่ถึงสิบนะมันไปอื่นหมดเลยนะมันกระวนกระวายมันเร่าร้อนแล้วก็ความทุกทุกชนิดที่เรียกว่าอะไรนะ คันชนิดเรียกไม่รู้จะเกาตรงไหนเนี่ยนะเจ็บปวดจนไม่รู้มันเจ็บตรงไหนเนี่ยมันมันเขาบอกว่าเจ็บกระดูกเนี่ยเจ็บไม่รู้จะมันมันจะไปอะไรนะไปประคบตรงไหนไปไปไปบีบไปนวดตรงไหนไม่รู้มันเจ็บถึงขนาดนั้นอะ่ะเั้นความเศร้ามองที่เกิดจากราคะก็ทําให้เศร้ามองหรือโทสะเวลาเกิดขึ้นก็ทําให้เดือดร้อนอ น, นะกระวนกระวายเร่าร้อนแล้วก็ความทุกทุกที่เกิดจาก ความโกรธนั้นคนที่มีความโกรธครอบงำเนี่ยนะมันร้อนก็กว่าไฟคือความโกรธนี่ก็ลุกท่วมเผาไหม้ใจเดือดร้อนแล้วก็ความลุ่มหลงด้วยนี่ยิ่งเร่าร้อนนะเขาบอกว่าอย่างที่กล่าวว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่เจอทางตันแก้ปัญหาไม่ออกนึกแก้อะไรก็ไม่ได้ไม่ออกอันนี้มันเดือดร้อนที่สุดเมื่อก่อนนะบอกโง่อย่างเดียวมันเดือดร้อนตรงไหนก็สบายดีไม่เห็นต้องไปรับรู้อะไร แต่ถ้าหากว่ารู้ว่าชีวิตมาถึงทางตันด้วยเนี่ยนะเห็นชัดเลยว่าความเขา่าความไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวที่นําให้เกิดความเดือดร้อนที่เขาบอกว่าหลับตาเห็นพบนี้อะไรนะลืมตาเห็นพบภาพชาตินี้หลับตาเห็นอบายยังไงนะทำไงดีแก้ปัญหายัางไง ้คนที่ทําบาปมามากๆเนี่ยนะครับลืมตาเห็นหน้าญาติญติเห็นหน้าลูกหลานเป็นต้นหลับตาเห็นนรกเนี่ยนะลืมตาก็เห็นลูกหลับตาเห็นนรกเนี่ยทำไงดีแก้ยังไงเนาะเข<อ><อ>บอกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยนะแก้อะไรก็ไม่ออกมันก็ยิ่งเดือดร้อนเข้าไปแต่คนที่มีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็เปลี่ยนเรื่องคิดซนะ ก, ก็จบแล้วใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าแทนให้จิตเป็นไปกับพระพุทธคุณเป็นต้น ภาษาริบตร ท, ท่านเข้าใจถึงความเร่าร้อนความเดือดร้อนที่เกิดจากราคาโทสะโมหะที่เกิดจากบาปอากุศลที่เกิดจากความขุนข้องมองใจเนี่ยนะและความทุกข์ที่มีความเกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้าเราพูดคำว่าเกิดเรานึกถึงที่ไหนบ้างเกิดเป็นอะไรบ้างถ้าใช้คำว่าเกิดนะที่ไหน พบสามกำเนิดสี่คติห้าต้องเึกไว้เลยเกิดในรคเปรตสุรกายเดรฉานมนุษย์เลยเทวดาเนี่ยนะเพราะคําว่าเกิดมันไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวที่เกิดนรกก็เกิดเปรตก็เกิดได้สัตเดรฉานก็เกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดได้มนุษย์ไปเกิดที่ไหนเนออย่างเงี้ยนะพันคำว่าความเกิดก็เป็นทุกข์หลังจากเกิดมาแล้วยิ่งทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ของผู้ที่หลังจากเกิดมาแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่บนนะสมัยใหม่เขายังชั่วมียาแก้เจ็บแก้ปวดอะไรพอบรรเทาบ้างใช่ไหมสมัยที่ไม่มียาแก้เจ็บแก้ปวดอะไรบ้างเลยจะเป็นยังไงแล้วก็ทุกข์เพราะความตายที่บอกว่าหลับตาเห็นโลกนี้ลืมตาเห็นโลกหน้านะทีนี้ว่าโลกที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะลำบากมากแล้วก็ทุกข์เพราะความอะไร ทุกข์เพราะการสแสวงหาอาหารเป็นต้นทุกข์เพรา ะ, สะแสวงหาเครื่องนุ่งหม่มทุกข์เพรา ะ, สะแสวงหาที่อยู่อาศัยทุกข์เพรา ะ, สะแสวงหาเก็บเงินเพื่อหายา น, นะเขบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ทําไมบอกว่าไว้หาปัจจัยสี่ยามชรางั้นนะั่นก็ทุกข์หรือทุกข์เพราะอภิสังขารคือกิเลสเป็นเหตุความเศร้ามองเป็นต้นเหตุให้ล่วงมาทางกายกรรมล่วงทางวัจีกกรรมล่วงทางมนโนกรรม ของเหล่าสัตว์ผู้ยังไม่สงบกิเลสนะนะผู้ที่ยังสงบกิเลสไม่ได้ดับความเศร้าหมองทางจิตใจไม่ได้มันร้อนระอุอยู่นั่นน่ะนะคล้ายๆกับพวกโรคกอระเพาะร้อนระอุอยู่นั่นนหะงนั้นผู้ที่พิจารณาทุกนะพิจารณาทุกมีวัตตะเป็นมูลของเหล่าสัตว์นะทุก์ที่อยู่ในวัตตะเป็นมูลเป็นยังไงทั้งอดีตทุกของหมู่สัตว์ในอดีตเนี่ยนะเป็นยังไงอะไรมั่งที่ไม่เคยเปิดเนี่ยนะ พระองค์บอกว่าในสังสารวัตรอันยาวนานที่เราไม่เคยเป็นเกิดเนื้อหาได้ยากพระพุทธเจ้าบอกว่าหายากมากที่พระองค์ไม่เคยเกิดเป็นสิ่งนั้นๆเนี่ยนะอันนี้คือความทุกข์ในอดีตถามว่าถ้าคนที่ยังตัดเหตุแห่งการเกิดไม่ได้แล้วทุกข์อะไรบ้างที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเราจะต้องไปเป็นอะไรบ้างเนอเนี่ยนะจะต้องไปทุกข์สภาพไหนเนาหลายๆครั้งเห็นเด็ก เด็กเกิดมาแล้วก็ประสบสงครามพิการประสบอุบัติเหตุแล้วพิการเนี่ยนะชีวิตของเด็กเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรจะทุกข์ร้อนจะลำบากขนาดไหนกว่าเขาจะรงชีวิตให้ตลอดหนึ่งพบแล้วพบใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจบมีสิน้นเราทั้งหลายเนี่ยนะจึงถึงจะพยายามไปที่ไหนไปแค่ไหนไปอย่างไรก็วนอยู่กับที่เพราะเราทั้งหลายอยู่ท่ามกลางสังสารวัรเสมอ อยู่ท่ามกลางแห่งกองทุกข์วิ่งไปตรงไหนก็วิ่งอยู่ที่เดิมนะย่าอยู่กับที่ทุกข์อยู่กับที่เดือดร้อนอยู่กับที่นั่นแหละอยู่ในท่ามกลางสังสารวัตรฝันเห็นทุกข์ที่มีในอดีตทุกข์ที่มีในอนาคตท่านก็เจริญกรุณาแผ่กรุณาไปถึงว่าหมูสัตว์นี่เดือดร้อนจริงๆที่ผ่านมาเขาก็เดือดร้อนต่อไปต่อไปยมว่ายมจะสบายขึ้นเนี่ย ใจลึกๆ ก, ก็ต้องสบายอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเราไม่เดือดร้อนรอกเราอย่างเราไม่ทุกข์หรอกจริงหรือเปล่าไหนนะถ้าชื่อว่าสังขาร น, นะสังขารมันก็ที่ไม่มีที่จะดับทุกข์ได้ไม่มีหรอกถ้ายังอยู่กับสังขารอยากคิดว่าจะไม่มีทุกข์ น, นะมันก่อนก็มีบนว่าว่าเขาจะหนีไปในที่ที่มันไม่มีทุกข์บกคุณจะไปอยู่ตรงไหนที่ที่มันไม่มีทุกข์มีไหม ไปอยู่ที่ตรงไหนที่มันสบายเนี่ยแผ่นดินแห่งโลกนี่เลยอ่ะไปอยู่ตรงไหนที่มันสบายจริงๆเลยนะอยู่แล้วดับทุกได้หมดสิ้นเชิงอ่ะนะที่ตรงนั้นถ้ามีอยู่จริงเนี่ยสงสัยขายได้มากขายแพงด้วยเนาะถ้ามีทาเลอย่างที่ว่าจริงๆแต่ว่าไม่มีอยู่จริงในโลกลนะท่านนี้ก็หวนระลึกถึงความทุกข์มีประมาณไม่ใช่น้อย แม้ที่ตนเคยเสวยในคราวเป็นปุตุชนหรือความทุกข์ที่มีกิเลสเป็นเหตุท่านก็พิจารณาเนืองๆถึงความสงบกิเลสของตนว่ากิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มากมายชื่อเช่นนี้บัดนี้เราละได้เด็ดขาดแล้วอัน น, นก็หวนระ ล, ลึกถึงความทุกข์ของตนในอดีตอันนะอดีตที่ผ่านมาที่ท่านเวียนวไหวตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์ใครที่เวียนวไหวตายเกิดเน่ถึงจะอยู่ในฐานะใดก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดี ภ า, าษาทีบุตรเนี่ยบางชาติเนี่ยนะท่านท่านเป็นขี้เมาเหมือนกันบางชาติขี้เมาถึงขนาดฆ่าลูกเนี่ยนะฆ่าลูกแล้วทั้งแต่นั้นท่านก็สมาทานเลิกดื่มสุราคือคือเมาแล้วต้องแกล้มเนื้อตลอดเนี่ยนะมีวันหนึ่งไม่มีเนื้อบอกเอาลูกไปฆ่าเลยนะหลังจากนั้นท่านลืมปอกรักลูกคนนี้มากนะสางเมามาเอาลูกไปไหนบอกกินแล้วตั้งแต่นั้นมาก็บอกว่าไม่ท่านเลิกเหล้าเด็ดขาดเลยว่างั้นนะท่าน ทุกในวัตฏะเนี่ยอยากคิดว่าจะพนนะ้นแล้วท่านก็เป็นนักรบใช่ไหมอดีตชาติบางทีท่านก็เป็นนักรบเข้าสู่สงครามนะวันสัตว์ที่อยู่ในวัตตะนี่อยากคิดว่าจะสบายเลยจะต้องไปอยู่ในฐานะใดาฐานะหนึ่งต้องไปดิ้นรนกระเสือกกระสนถ้าเราไปรู้จักแต่ละคนดีๆจะรู้ว่าคนที่มีความสุขจริงความสุขที่แท้จริงก็คือพระริยเจ้าบุคคลที่เหลือไม่ทุกอย่างใดก็อย่างหนึ่งกันนะเก็บมาเศร้าจนได้นะใช่ไหม ถามว่าถ้ายังดับเหตุไม่ได้เราต้องไปเจอทุกอะไรอีกบ้างนะเคยสํารวจตัวเองบ้างไหมว่าทุกอะไรบ้างที่จะมีต่อไปในอนาคตนี่แหละที่พยายามเตือนอยู่ตลอดว่าจเจริญกุศลให้มากพระศรีอานจะมาเนี่อีกนานนี่นะตอนนี้เนี่ยประตูแห่งนิพานก็อยู่ในพระไตรัยพิดกถ้าเราปิดประตูไม่เปิดอ่านซะอย่างเดียวเราไม่รู้ประตูแห่งพระนิพานทีนี้ต้องรอใหม่กว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาอีกเมื่อไหรนะ่เนอ เราทั้งหลายที่เป็นคนเขาเนี่ยนะเราก็เล็งหาว่าคนนั้นชงช่วยเราได้คนนี้จะช่วยเราได้คนทั่วๆไปที่จะช่วยเราได้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นั น, นและเอาแล้วคนอื่นๆน่ะถ้าเขาพูดตามพระพุทธเจ้าก็พอช่วยได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยเขาจริงแต่ถ้าไปเอาคำของคนธรรมดาเอาคำของคนมีกิเลสนะียช่วยเราไม่ได้หรอกอ น, น, นช่วยอะไรเนะ เออแกมีทุกข์มากนะเคยไปปรึกษาเพื่อนเลวไหมเออเดือดร้อนมากเนี่ยนะกินเหล้าไหมกินเหล้าดีกว่าอย่าไปคิดมากเลยเรื่องนี้เ น, นะชันใดก็ดีถ้าเราบอกอุย๊ยว่าตานี่มันทุกข์ร้อนนะไปเจอมิจฉาทิถีนะเขาชวนเราแก้ปัญหาเดียวเดียวกันเหมือนสบายเหมือนแก้ได้จริงเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเลยว่าใครมีทางเลือกใหม่เสนอทางเดินใหม่เนี่ยนะที่นอกจากทางสายเก่าที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าหวังเลยว่าจะพบเพรา ะ, ะถ้าไม่ได้เจอจาก คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เมื่อไหรน่นออีกนานไหมนานแน่นอนแล้วเสบียงทางแหละนะเสบียงทางเนี่ยนะเพราะว่าวันสมมุติเรามาคิดดูนะวันหนึ่งเราทานอาหารโดยมากสามมื้อใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแล้วถามว่าจะต้องใช้ข้าวสารกี่กระสอบตีนะตลอดระยะเวลาห ล, า ย, ล, า, ยลายหมื่นล้านปีเนี่ยใช้ข้าวสารกี่กระสอบใช้ผักกีด กีวนแล้วก็บ้านกี่หลังอะ่ะว่าจะไปอยู่ต่อๆๆกันได้นานขนาดนั้นแล้วเรามีอะไรเป็นสเสบียงทางอ่ะมันถ้าไม่เจริญกุศลให้มากเนี่ยรู้ว่ามีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยคําสวดนี้ไม่เกินความจริงอ่ะนะถูกต้องแล้วเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกอย่างลงแล้วทำชฉไหนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จ ะ, ะทั้งสิ้นนี้จะเพึงปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยนะ มัญอตต้องมาระ ล, ลึกนะว่าแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มายังสังเวทตัวเองเลยนะสังเวทตัวเองที่เคยมีความทุกข์ในอดีตแล้วก็สังเวทในเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่พี่เคยประสบทุกข์และจะประสบทุกข์ต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่ทุกข์ได้ยังไงเพราะเขาอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เนี่ยนะแต่บัดนี้ภาษารียบท่านบอกว่า ต้นเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นบัดนี้เราละได้เด็ดขาดแล้วทีจริงเราหน้าจะยินดีกับภาษารุบุนะยินดีที่ท่านเป็นผู้ข้ามพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ดีใจกับท่านที่ท่านดับทุกข์ท่านสิ้นทุกข์เนี่ยนะอันหนึ่งเมื่อท่านจะพิจารณาย่อมพิจารณาถึงความสงบกิเลสโดยถ่องแท้ด้วยมัคคยานานั้นว่ากิเลสมีประมาณเท่านี้ สงบแล้วด้วยโสดาปฏิมัคเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าอนุภาพของโสดาปฏิมักท่านกําจัดกิเลสเหล่านั้นเช่นสากายทิฏฐิเป็นตน้นหรือทิฐิ62ท่านกําจัดได้เด็ดขาดด้วยโสดาปฏิมักท่านกําจัดความทุกข์อื่นๆอีกคืออะไรกิเลสคือวิจิกิจฉาสีละพัตะปรามาสข้อปฏิบัติผิดๆทั้งหลายท่านกําจัดได้หมดเลยว่ากิเลสเท่านี้ท่านสงบแล้วด้วยอํานาจของสกัธาคามิมักกามราคะพยาบาทย่างหยาก กิเลสเหล่านี้สงบแล้วด้วยอนาคามีมัค ก, กิเลสมีประมาณเท่านี้สงบแล้วด้วยอรหัตตมัค ก, ก็เลยเรียกว่าปัจเวคขณะมานก็คือพิจารณาความสงบของตนนะพิจารณาความสงบวัตทุกข์ของตัวเองอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าพระเถระเข้าอรหัตผลสมาบัตพิจารณาสมาบัตนั่นแล้วพิจารณาความสงบเนืองๆ อ, อย่างนี้ว่า ภาวะที่อุปสมณนี้คือพระสมาบัติเนี่ยนะมีความสงบมีความประนีตอรหัตผลสมาบัตินี้รับอารมณ์คืออาศังคตะธาตุเพราะอารหัตผลมีอาศังคตะคือนี่ผ่านเป็นอารมณ์อันเป็นความสงบโดยสิ้นเชิงและก็ความสงบกิเลสโดยชอบของตนเพราะท่านพิจารณาอารหัตผลนั่นแหละ ก็สรุปว่าพิจารณาทั้งความทุกข์พิจารณาทั้งมรรคและผลนั่นแหละเนี่ย น, นะก็เลยเห็นความสงบโดยเฉพาะสงบในอรหัตตผลของตนพระพุทธเจ้ารู้นะรู้ทั้งหมดเลยว่าภาษาทิบุตรพิจารณาอะไรแค่ไหนอย่างไรนะพิจารณาความสงบเช่นใดพิจารณาเห็นความทุกข์โดยประการใดๆพระพุทธเจ้าทราบหมดคือทราบโดยอาการทั้งปวงคือรู้จากปัจเวก พิจารณาการละกิเลสอันเป็นเหตุให้ภาษาบุตรมีปัญญามากปัญญาของภาษาบุตรนั้นไม่ทั่วไปแก่สาวกคนอื่นในบรรดาสาวกทั้งหลายหรืออรหัตตผลที่กล่าวโดยอ้อมแห่โดยปริยายคือเหตุแห่งความสงบแป่งอุทานด้วยอนุภาพความสงบความสงบที่ภาษาบุตรพิจารณาว่าสงบทุกจริงเนี่ยนะนี่เป็นความสงบทุกเป็นความหลุดพ้นจากกองทุกขได้โดยประการทั้งปวง บอกว่าอุปสรรตะสันตจิตตระสะเชื่อว่าผู้มีจิตสงบประงับเพราะท่านเป็นผู้มีจิตสงบประงับนั่นเองจริงจิตชื่อว่าเข้าไปสงบเพราะกิเลสเข้าไปสงบโดยข่มไว้ได้ด้วยสมาบัติถ้าหากว่าข่มด้วยสมาบัติเนี่ยนะไม่เรียกว่าเป็นการสงบกิเลสโดยประการทั้งปวงใช่ไหมถ้าด้วยฌานเฉยเฉยไม่ใช่สงบจริงไม่ใช่สงบ ท, ท, ท, ที่แน่นอนอะไรอย่างพวกพวกฤาษีทั้งหลายที่ได้ฌานนี่ยนะ ก็ไม่ใช่ว่าสงบที่จริงแท้อะไรเพราะเป็นการสงบอย่างไม่สิ้นเชิงไม่สงบเหมือนสงบด้วยอรหัตตมรักความสงบด้วยอรหัตตมรักนั้นเป็นความสงบที่จริงแท้ส่วนจิตของท่านผู้ชื่อว่าผ่าหัน ท, ท่านตัดกิเลสได้เด็ดขาดทีเดียวเป็นกิเลสที่สงบด้วยมรักษ์เบื้องต่ำที่สัมปยุต ด, ด้วยสมถะและวิปัสสนาขณะโสดาปฏิมรักสมถะวิปัสสนาก็คู่กัน ขณะสก่าทาคามิมัคสมถาวิปัสสนาก็เคียงคู่กันอนาคามีมัคสมถาวิปัสสนาก็เคียงคู่กันเพราะมัคผลเนี่ยนะจึงสัมปยุตกับสมถะและวิปัสสนาโดยเป็นภาวะไม่จำต้องสงบกิเลสอีกเรียกว่าสงบระงับปฏิปสัสสติเนี่ยนะสงบระงับอย่างแท้จริงสงบโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าชื่อว่าผู้มีจิตระงับเพราะมีความ เพราะท่านมีจิตสงบประงับนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสถานที่ที่โพธิมณฑลหรือที่พุทธคยาคือสถานที่พระพุทธเจ้าสงบสงบประงับบาปอากุศลได้โดยสิ้นเชิงพ้นหลังจากนั้นพระองค์ไปที่ไหนก็ถสถานที่นั้นๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความสงบประงับของพระองค์เพราะพระองค์ดับความทุกข์ได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งพระศาสดาเมื่อจะแสดงว่า เมื่อพระขีนาสพทั้งหมดสงบกิเลสได้เด็ดขาดแต่ความสงบกิเลสของพระธรรมเสนาบดียังมีพิเศษอันเป็นเหตุถึงที่สุดแห่งสาวกบารมียานไม่ทั่วไปแกสาวกท่านอื่นไม่ทั่วไม่ทั่วไปแกสาวกรูปอื่นเนี่ยนะเพราะเป็นความสงบที่จริงเป็นความสงบที่ที่แท้แน่นอนและก็เป็นความสงบที่เป็นเหตุให้ท่านมีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวางมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาชำแรล ก, กิเลสมีปัญญาเร็วมีปัญญาไวมีปัญญาที่เจาะแทงกิเลสได้โดยประการตัางวงแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงเช่นในปฏิสัมพิธาเป็นต้นนะ่ะนะข้อนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าจิตสงบอย่างยิ่งคือมั่นคงชื่อว่าอุปสรรตตนะจิตที่สงบระงับด้วยอุปสรรตจิตนั่นแหละชื่อว่าอุปสัน ต, นะต ส, สันตจิต สงบอย่างแท้จริงจิตของท่านเป็นเช่นนั้นคําทั้งหมดอธิบายเหมือนที่กล่าวไปแล้วจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญชมเชยท่านพระสารีบุตรโดยอเนกปริยาย น, นะเพราะอารหันก็แปลว่าควรแก่การชื่นชมนะพระพุทธเจ้าก็ชมสาวกเพราะท่านเป็นพผ้ารหันสาวกก็เป็นพผ้ารหันนะ่ะนพระผ้ารหันจึงควรแก่การชมเชยโดยในเป็นต้นว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากมากแค่ไหน มากแค่ไหนเขาบอกว่าน้ําอะไรนะทรายนี่นะเขาบอกว่าทรายที่ไหลจากทรายตามริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยไหลเรียบไปจนถึงทะเลนะนับได้ไหมกี่เม็ดแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังคํานวณได้โดยตารางเม็ดหรือตารางกิโลเมตรแต่ปัญญาภาษาริบุตรคํานวณไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่นี่นะท้องฟ้าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ถือว่ากว้างใหญ่ใช่ไหม แต่ถ้าวัดนะนะท้องฟ้าในขอบเขตก็ยังพอวัดได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรเอาอะไรไปวัดเพราะท่านมีปัญญามากมีปัญญาและปัญญาของท่านหนาแน่น <c oughs> บางคนเนี่ยมากก็จริงแต่เบาบางเหลือเกินแต่นี้มีปัญญาหนาแน่นกว้างขวางขณะเดียวกันเนี่ยนะบางคนมีปัญญาค่อนข้างฝืดใช่หแต่นี่ร่าเริงอันนะั้นมีปัญญาเร็วเนี่ยนะมีปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็เป็นปัญญาที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ บทว่าเนติติฉินนัสะความว่าภวะตันหาชื่อว่าเนติเพราะอะไรเนตินี้โดยศัพท์แปลว่านําไปใช่ไหมนําไปสู่สังสารวัตรตอนที่เราเรียนเนติตประกรี้เนติตประกอบแปลว่าอะไรนะคำพีที่นําไปไหนเนติในนั้นแปลว่านําไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆในพระไตรปิฎกบอกว่าเนติคือนําไปสู่สังสารวัตรนาไปสู่ภพใหม่นําไปสู่จะพบสู่พบไปเรื่อย เชื่อว่าผู้มีเนติติฉชนะเนติติ ช, ะ น, ต ช, น, น, ะช น, นะตรงนั้นแปลว่าตัดขาดท่านตัดเนติคือตันหาที่นําไปสู่สังสารวัตรได้แล้วของท่านผู้มีเนติคือตันหาที่นําไปสู่วัตะขาดแล้วแปลสรุปว่าละตันหาได้เด็ดขาดแล้วบทว่ามุตโตโสมารพันธนาความว่าผู้นั้นคือผู้เป็นอย่างนั้น ได้แก่ผู้มีกิเลสเครื่องพยุงสัตว์ไว้ในภพทั้งหมดและสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมารทั้งปวงเพราะท่านไม่มีกิจที่จะต้องทำเพราะท่านพ้นจากเครื่องผูกของมารเพราะฉะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพิจารณาความสงบของตน น, นะมันพิจารณาถึงความสุขที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยจะดีขนาดไหนนะเมื่อไรเราจะได้นั่งชื่นชมความสุขที่ตัวเองมีอยู่บ้าง บางคนมันนั่งพิจารณานั่งยังไงก็เห็นแต่ความเดือดร้อนของตัวใช่ไหมไอ้จริงๆเราสบายตรงไหนบ้างนะมีส่วนดีมีความสุขมีความสงบมันสบายจริงๆเนี่ยตรงไหนมีบ้างใครที่มีก็ถ้ว่ามีบุญมากผู้ที่มีความสุขมีความสงบมีความสบายที่แท้จริงนี่ก็เชื่อว่ามีบุญบางคนเนี่ยนะไม่มีความสุขแม้กระทั่งจะนั่งนิ่งๆ ไม่ไม่สามารถจะนั่งแบบสบายสบายได้ใช่ไหมกลางคืนเป็นควันไปหมดเลยคิดจนนอนไม่หลับกลางวันก็ลุกโผลงเป็นไฟเงือท่วมตายเงือบโซกโซกโซกนั่นนะก็อยู่นั่นแหละทางหูก็ร้อนเผาวผาตลอดนี่นะทางจมูกกราบกลิ่นที่ไม่ดีอาหารก็รสไม่สับปรดเลยอย่างนั้นแตรสอาหารที่ไม่สับปรดเป็นยังไงทําให้อร่อยเลยนี่นะมันก็เดือดร้อนน่นนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบาย กินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่หลับป่วยก็ป่วยเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยอีกอนะก็อย่างนี้แหละวัตะเนี่นะทนจริงๆเลยนะเผาพันธแห่งสัตว์ผู้อดทนทนอดอสิไม่รู้อริยสัตว์จะอย่างเดียวก็ทนทนทนทนทนทนให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทนเหลือเกินที่จะต้องเกิดใหม่ทนแก่ทนเจ็บทนตายทนทำมาหากินทนทนทน คืออาจจะไม่นึกถึงว่ามันมีทางออกอ่ะนะคือไม่เอ้มันไม่รู้จริงๆเลยว่าพระนิพพานที่สงบทุกขเหล่านี้มีอยู่แล้วตัวเองก็ขี้เกียจเกินไปที่จะสแสวงหาทางแห่งความสงบทุกขก็เลยภาวะยอมจำนน์จำนนต่อทุกขทีนี้ทุกขปราณีบ้างไหมเออฉันให้เธอทุกแค่นี้พอเลยนะจะปราณีอะไรเลยจะไปปราณีอะไรก็เหมือนกับล่องลอยไปในวัตฏะเนี่ย เอาอะไรมาปลาณีใครให้ใครมาสงสารใครในวัฏฏะที่เต็มไปด้วยความทุกข์แบบนี้สมมติถ้าเราไปเกิดเป็นปลาเนี่ยนะอย่าร้องเรียกหาความสงสารจากปลาด้วยกันอย่าร้องเรียกหาความสงสารจากสัตว์อื่นเพราะเขามองว่าปลานะยปลาเนะี่ยก็คืออาหารของเขาใช่ไหมเ้าจะไปปราหนีได้ยังไงนั้นเพชะฆาตที่ไปหาปลาทั้งหลายชาวประมงผู้หาปลาสงสารมันนะปล่อยมันไปเถอะไม่ ผมตัวเล็กตัวน้อยเอาไปเลี้ยงเป็ดก็ยังดีเหมือกันนะเรียกว่าปลาเป็ดเหกันนะเอาไปมาเอาไปหมักเป็นน้ําปลาก็ยังดีอย่างเงี้ยนะก็คิดไปได้ก็อย่าคิดนะว่าเขาจะกรุณาไม่นี่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความการุณาเขาบอกว่าไปอยู่ในนรกเผื่อนายนิรยาบาลจะสงสารบ้างก็ลองเข้าคุกดูซิเผื่อคนหัวหน้าคุกจะกรุณาบ้างนะสงสารเออนี่แกเป็นหัวหน้าคุกแต่คนคุกพิเศษชันให้นอนห้องวีไอย่างเงี้ยเลยไม ก็ไปอัดยัดเยียดกันอยู่นั่นแหละเขาเล่าให้ฟังนะเ uh huh. ขามาว่าไม่ไปอ่ะบันดีแล้วแต่แปลกนะเดินไปที่ไหนนี่เห็นรถรถเรือนจำอ่ะนะจอดประจำเลยนะเอ๊ะ uh huh. มันเกิด อ, อะไรขึ้นเนี่ยนะมันเตือนอยู่ด้วยนะสังเวกวัตโธเขาบอกว่านั่นน่ะคือคุกแล้วก็เห็นวลาคุกวัดตะมันเป็นอย่างนี้ออกไปนะเนี่ยนะ